ขอความจเจริญในธรรมจุมีแต่ท่านผู้ฝังทั้งหลายแต่ลงประพิยานในวันนี้ก็จะพูดเรื่องสัมมาวาจาคือวาจาชอบท่านฟังจะสังเกตได้ว่าวิธีเรียงในอริยมรรคก็กเรียงโดยโครงสร้างก็ใจสิกขามีวิธีที่แตกต่างกัน อะไรมักจะเรียงแบบวบงกลมคือหมุนหลุนเนื่องกันไปคล้ายๆเราควรขนมคือเครื่องปรุงประสานพัดก็ผสมกันไปแล้วก็กวรจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันประสบความสำเร็จรสชาติของขนมที่ออกมามันก็ไม่ใช่เป็นรสอะไรอย่างใดอย่างหนึง่งเป็นรสรวมของทุกสิ่งที่มันรวมกัน แนวแนวสิกธิขานั้นจะเรียงแบบบันไดคือไต่ขึ้นไปเป็นสิกขาเป็นขั้นตอนของการศึกษาแล้วก็นามาย่อยเป็นสิกขาบทหมายความว่าแต่ละก้าวหรือแต่ละขั้นของการศึกษาก็ขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเรามองดูให้ดีแล้วเนี่ยโครงสร้างของกุศลกับบดสิทธิเป็นโครงสร้างที่เป็นแม่บท นคนสั้นกำหนดสิทธิบางครั้งเนี่ยจะนำไปทรงสแสดงเ่นในสังการูปป ฏ, ฏิสูตรสรงสแสดงเป็นหลักปฏิบัติรวบยอดหมายความว่าเธอต้องการจะเป็นอะไรในโลกมนุษย์หรือว่าหลังจะตายก็เป็นด้วยการเนี่ยจเจริญกุศลกำหนดให้เป็นความประนีตลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆเพราอย่าลืมว่าแต่ละข้อเนี่ยมันสอนเป็นขั้นๆไป ก็เหมือนกับเราสอนความรู้แกนักเรียนในชั้นต่างๆเนี่ยก็มไม่ใช่สอนหมดแล้วหรอกแต่ว่าสอนเท่านี้แหละสำหรับเด็กชั้นอนุบาลพอชั้นประถงก็เพิ่มขึ้นไปก็เอาเท่านี้แหละแต่ไม่ใช่หมดแล้วนะะแล้วพอเด็กระดับมัธยมก็สอนลึกซึ้งขึ้นไปแต่ก็เรื่องเดิม เพฉนั้นถ้าเรามองตรงนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทั้งหมดมันอยู่ที่กายวิชาใจจบที่กายวิจาใจนะะแล้วก็ที่ใจเนี่ยจะเป็นตัวหลักใหญ่เพราะเราจะพูดเรื่องสมาทิฏฐิและสมมาสังกปปะมาแล้วเราจะเห็นว่าสัมมาธิฏฐิก็คือใจที่ขจัดโมหะไปเรื่อยๆจนมีเป้าหมายอยู่ที่การหมดสิ้นโมหะไปที่สุดไปในที่สุด คำว่าอาริมัคติองแปดประการนั้นไม่ได้หมายความว่ามัคมีแปดทานแต่เป็นทางเดียวนะครับท่องทั้งแปดที่จริงไม่ใช่มัคหรอกเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียกว่าองค์อาริมัคหรือมัคมีองแปดประการโดยมัคจริงๆมันเป็นสมยนัยญาณคือเป็นผลร่วมของศีลสมาธิปัญญาหรือผลร่วมของอาริมัคทั้งแปดประการที่ประนึกเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วก็เราจะเรียกตรงนี้ว่าตรกศาก็ได้เรียกว่าอริยมรรคเรียกว่าสมัติสิทธก็ได้นะฮะคือจะมียานเกิดขึ้นมันก็ทำนองคล้ายๆกาบปรุงอาหารแล้วอาหารใส่ลงไปใส่ลงไปนะฮะแล้วก็ถึงเวลาหนึ่งก็จะเกิดรสชาติพิเศษขึ้นมาเป็นรส ที่ผนึกเป็นเนื้อเดียวกันของอาหารเครื่องปรุงเหล่านั้นเนี่ยแต่มันก็มีรถเด่นๆนะนะเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราพูดถึงอาการของพระอราหันต์เช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยพูดประสันตะกายโยสันตะวะโยสันตะมโนมีกายสงบมีวาจาสงบมีใจสงบ ถามว่ามาจากอะไรอ่ะที่กายสงบปัจาัยสงบบอกมาจากใจที่มันสงบถามมาเราพิสูจน์ทดสอบได้ไหมก็พิสูจน์ได้นะฮะลองสังเกตว่าเช่นสมมติว่าใครมาทําอะไรให้เราโกรธเรามีความชัดเจนในตัวคนนั้นเนี่ยเราจะไม่โกรธเช่นรู้คนนั้นเป็นคนเมาเนี่ยเราไม่โกรธรู้คนนั้นเป็นคนบ้านเนี่ยเราไม่โกรธ รู้ว่าเขาเป็นเด็กเเราไม่โกรธเรารู้ว่าเขาเป็นผู้เท่าเราไม่โกรธเราก็เห็นว่าเขาชักจะปั๊มปัป๊มเบอรเบอเราก็ไม่โกรธหรือไม่มันเยอะได้เลยนะเราจะไม่โกรธไดเ้เพราะอะไรเพราะว่าปัญญามันไปสอดสองแล้วก็มองมองเห็นสถานะของคนเหล่านั้นแล้วก็ดูแล้วก็น่ารักนะฮะอย่างความรู้สึก ของเราที่เป็นลูกหลานเนี่ยปู่ย่าตายายท่านด่าเ่ยมันเป็นสุขนะฮะมันเป็นสุขมันสงบนำมาอย่างนึกถึงตัวเองว่าตัวนั้นบวชมาห้าหปัญฉาแล้วนายายัาอยางอยู่ยายุตั้งรวมเก้าสิบตอนนั้ น, นไปพอเห็นหน้าในี่ยกด่ามาตั้งแต่ไกลเลยนะ ร, รู้สุกดีใจมากเป็นสุขมากที่ย่าได้ด่าเนี่ย เราเห็นว่าใจอ่อนโยนนะฮะใจท่านอ่อนโยนท่านคิดถึงแต่ไม่รู้จะว่าอย่างไรงคิดถึงแล้วอย่างลึกถึงแล้วก็ชื่นใจอยู่ถึงทุกบันก็เราอาศัยความรู้สึกนึกคิดของเรามาอธิบายเด็กฝั่งมาลองคิดดูเถอคะคุณรุ่นรุ่งปู่ยา่าตาทวดท่านดา่าเนี่ยแสดงว่าท่านด่าด้วยความรักท่านดุก็ดุด้วยความรักปรารถนาดีมุ่งดีต่อเราแล้วเราก็ไม่โกรธเพราะว่า เรารู้ว่าเจตนาท่านเป็นยังไงทีนี้เด็กรล่าเด็กสาเนี่ยเรารู้ว่าแก่ไม่เจตนาแกไม่เข้าใจเลยสัํปไปนะคนบ้าคนเมอมันก็มีลักษณะอย่างไี้หลายปีมาแล้วมีลูกศิษย์ที่ก็เป็นพยาบาลในศิริราชเขาบอกว่ามันงุดงิดกับคนป่วยที่จุกจิกจู้จีจ้จุกจิกขี้บ่นแล้วก็รุนแรงถามมาทำยังไงดี บอกว่าเราก็เคยคิดนี่นะมาถือคนบ้าจะว่าคนเมาก็อย่าเอาเรื่องคนป่วยก็ใสยกับอีกคนหนึ่งก็พอดีคนป่วยในยสุขภาพจิตเขาไม่ดีเราจะเอาอะไรกับเขาจากปัญญาที่เราคิดเนี่ยเพราะในศีลสิกขาที่พูดถึงสมมาวาจาสมากับมันตาสมาชีวะซึ่งเป็นศีลสิกขาเนี่ยจริงๆมันเป็นผลพวงมาจากปัญญาที่พิจารณาเห็นคุณเห็นโทษ เห็นโทษของการพูดวจีท like ุจร so ิตเพราะในวจีท so ุจร no. cool. okay. ิตม yes. ันก็คือนั่นแหละคือคือคือกุศลกับบทสิบเห็นไหมเรายกกุศลกับบทสิบเข้ามาอยู่ในอริยมรรคแต่ว่ากุศลกับบทสิบเป็นธรรมะที่ยกสอนทั่วไปบางครั้งบางราวก็สรงอธิบายในยะที่ลึกซึ้งนะฮะในตัวใหญ่จริงๆก็คือโลกกดลง ในส่วนที่เป็นมนุษย์ทุจริตนะส่วนที่เป็นสมารสังกัปปะนะคือตัวใหญ่หละหมายความถ้าพวกนี้เรามีปัญญามากพอจนขจัดแบบทร่าโคได้เนะี่ยก็กลายเป็นวิชามันก็ทำลายพวกนี้ซึ่งมาจากวิชาออกไปใจก็ใสใจก็สว่างใจก็เย็น เพรเรื่องของวาจารเราจะต้องมองเห็นคุณของวาจาที่ไปเลาะเรื่องวาจาเป็นเรื่องใหญ่นะเราลองสังเกตว่าสังคมไทยเรามีความรู้สึกสมัยหนึ่งที่ท่านเอามาให้เด็กเรียนย่างเสียดายนะว่าเด็กปัจปจุบัน จ, จ, จ, จาอะไรไม่ก็ได้แต่ความคิดของพวกสอปศไม่ให้เด็กจาด้วยยางเป็นห่วงอยู่ คือไปสอนเด็กเวลานี้ไปสอนเด็กที่ไหนมาก็ชอบจะถามถามเธอทดสอบเธอนะแล้วก็เด็กตอบไม่เคยได้อะเป็นเรื่องที่น่าสลดมากแล้วสอปศเขาปฏิรูปไม่ให้เด็กจาอีกก็ยังนึกไม่ออกนะในสมองเธอจะมีอะไรก็ไม่รู้วันแรกแต่ใครจะจูงใครแต่สนตะภายเอาในสมัยนั้นเขาให้ท่องปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีโชคดีเป็นตรา เดยตระหนว่าภารกิจในชีวิตของเราในปากเนี่ยต้องหนึบเนี่ยแล้วความรู้ในด้านคณิตศาสตร์เนี่ยมันรองลงมาเพราะอะไรเพราะเราสามารถที่ถ้าเราเก่งในการใช้ปากเนี่ยเราดึงคนอื่นมาร่วมมือมาช่วยเ ห, เหลือเราได้ปัญหาเรื่องคณิตศาสตร์เนี่ยเราคงมีลูกน้องทำเราทำไม่เป็นหรอวันก่อนเดี๋ยวไปพบกับระดับรองผู้จัดการในซีพี แกก็บอกว่าผมทําคอมพิวเตอร์ไม่เป็นแต่ก็สั่งลูกน้องเห็นไหมว่าตัวเลขมันเป็นโทรไปแต่ปากเราในสําคัญเพราะนั้นผู้นำโลกจริงๆมันนําด้วยปากใครลองสังเกตศาสดาทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยม่ใช้วาททะใช้โควหารใช้ปากเพราผลได้ก็บอกาปากเป็นเอกเลขเป็นโทรหนังสือนี่เป็นตรีหนังสือนี่เป็นตรี รองลงมาอีกเพราะเราเพราะเรารอบรู้หนังสือเนี่ยเราก็อาจจะให้คนอื่นค้นคว้าให้ได้อะไรได้แต่ถ้ปากเนี่ยเราก็รับผิดชอบเองคือที่จริงมันก็ดีด้วยกันนั่นแหละอยาได้มีการประชุมกันคราวหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการเขา กล้ๆกบวิเคราะห์ตรวจสอบถึงผลของการจัด ก, การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกระท บ, บวงมาลย์อะไรแห่งรัฐมันก็ตั้งปัญหาขึ้นมาว่าในเรื่องความรู้ความคิดความสามารถกับคุณธรรมเนี่ยมันมีปัญหาอะไรข้อไหนบ้างที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันก็มีอภิปรายกันเยอะนะฮะแต่บทสรุปในหน้าคิดเขาบอกว่าตัวความรู้เนี่ยเข้าปฐมนิเทศเอาได้ ตัวความคิดเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ใช่เอามาคิดนะทํางานแล้วก็คิดอีกเขาประชุมระดมความคิดเอาได้แระดับนี้สามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล อ, อะไรต่างๆกันได้เยอะนะระบบการคิดเนี่ยแล้วก็ความสามารถเนี่ยขเขาฝึกเขาได้เพราะว่าจริงๆเวลาไปทํางานเนี่ยทำงานจะพอด้านอนะไรใดด้านหนึ่งเขาไม่ค่อยสลับซ้ซอนอะไรทั้ไหลาแล้วใช้ความรู้ไม่มากหรอกเวลาทํางานจริงๆ แต่เขาเป็นห่วงนี่คือเรื่องคุณธรรมแล้วคุณธรรมที่เขาเป็นห่วงนั้นก็คือสามเรื่องน่ะเขาบอกไว้สามเรื่องคือการตรงต่อเวลาไม่ค่อยตรงต่อเวลาแต่มามีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆรนะอย่างพระใหม่บวชที่วัดบวรเนี่ยบวชต้งเท่าไหรล่ละสิบกว่ารุ่นแล้วนะ่ะออกปัญธามานี่นะจะเข้าบรรสาอีกล่ะบวชกันตัวน้นนะ วันข้าบรรษาเนี่ยศึกยังไม่หมดเลยพวกที่บทนอกบัรษาเนี่ยแต่ก็ไม่ได้บทข้าบรรษานะแล้วเราสังเกตว่าเวลาสอนหนังสือนี่ตอนเช้าในสามโมงเช้าเรียนนะตอนบ่ายในสองโมงครึ่งเรียนเราก็ไปนั่งรอพอถึงสามโมงปับ๊บเราก็สอนปุ๊บเราก็ไม่พูดเพราะไม่อยากจะไปดุอะไรเขาก็บวชไม่เท่าไหร่ ตอนบ่ายก็มีลักษณะอย่างนั้นถึงเวลาป้าเราก็สอนเลยองเดียวเราก็สอนเพื่อกระตุ้นเตือนเธอให้เข้าใจว่าไอตอนสามโมงเช้านี่คือเรียนนะฮะไม่จะออกจากกุฏิตอนสองโมงครึ่งนี่คือเรียนเริ่มเรียนไม่จะออกจากกุฏิอ๋พระนว ก, กะเราไปดูพระระดับมหาวิทยาลัยดีเพื่นี้มาก็สอนพิเศษนะฮะเป็นอาจารย์สอนพิเศษที่มหาวิทยาลัย ก็อีกอะอย่างเงี้ยไม่ตรงรเวลาเขาเรียกว่ามาอย่างไทยไปอย่างพรั่งเป็นปัญหาที่น่ารำคาญที่สุดเลยไม่เครารพเวลาเลยยิ่งตัวใหญ่ตัวโ ต, วตวยิ่งแล้วยายเลยบางทีเวลาเวลาหายไปเป็นหลายนาทีนะครับเป็นชั่วโมงก็มีมันเป็นปัญหาจริงๆปัญหาต่อไปคือความ รับผิดชอบคือไม่ค่อยมีความรับผิดชอบจะไปรับชอบไม่รับผิดเราจะลองดูลักษณะ น, นิสัยอย่างนี้เป็นผู้ใหญ่บริหารบ้านเมืองไปนขนาดเป็นอดีตนายกเป็ น, นรัฐมนตรีเป็นอะไรมาเนี่ยไม่เคยผิดเลยนะะเก่งมากเวลาพูดถึงตัวเองเนี่ยไม่เคยผิดเลยถูกหมดเลเก่งมากๆแต่ที่จริงในสังคมเขาเห็นนะ่ะการที่เขาไม่เลือกเข้ามาเพื่อให้เป็นรัฐบาลเนี่ยเพราะว่า สอบไม่ผ่านเราดูที่อังกฤษดิโอ้โหมายัางไงทะลุถล่มทลายมาเลยทั้ง400กว่าเกือบหมดรัฐสภาเนี่ยมาแบบคุณทักษิณเนี่ ย, ยมาถล่มทลายมาเลยก็านา 3, ่าสามในสี่มั้งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าคนเขาตรวจสอบเขาดู ตามปกติแล้วในคนจะไม่ค่อยตรวจสอบตัวเองเนะก็จะไปจะไปตรวจสอบคคอื่นวัดละการในศ า, ศาสนามันก็มาตรวจสอบตรวจสอบที่ตัวเราเองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เราแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าความรับผิดชอบเนี่ยมันมันกรอบของมันมันมีอยู่แต่ว่า เอาข้อจริงแล้วตอนผิดเนี่ยไม่ค่อยรับนะรับชวนชอบสมัยโบราณเนี่ยถ้าไม่ใช่คําอย่างนี้เคยเจอหนังสือสมัยเมื่อหกเจ็ดสิบปีที่แล้วเนี่ยท่านใช้คำว่ารับผิดรับชอบหมายความว่าผิดก็รับชอบก็รับรับผิดรับชอบเในปัจจุบันเราก็พูดไปรับชอบรับผิดชอบเลยก็รับเฉพาะชอบเลยแล้วก็ความซื่อสัตย์สุจริตที่จริงเรื่องเดียวกันนะฮะ เขาเรียกว่าเป็นปัจจัยของการรายการถ้ามีสักอย่างและอย่างอื่นมีเองไม่ต้องเป็นนับกันหลอกเสียเวลาเราคนที่รับผิดชอบแสดงมาเธอต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและเธอต้องจงตัวเวลาคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแสดงมาเธอต้องรับผิดชอบแล้วก็จงตัวเวลาคนที่จงตัวเวลาในแสดงมาเธอมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์สุจริตมันก็สะท้อนกันไปสะท้อนกันมานะฮะเป็นเนื้อหาสาระอย่างเดียวกันนั้นแสดงให้เห็นอะไรนะะ แสดงเห็นว่าปัญหาในด้านคุณภาพของบุคลากรหรือประชากรไปในชาติเอาเข้าจริงไม่ใช่มีปัญหาที่ความรู้แต่มันปัญหาที่คุณธรรมคุณธรรมเราขาดแคลนมากๆจริงๆเวลาเนี้ยเราพูดอะไรต่อเมี่อไรวันก่อนก็ลองถามคนมีตำแหน่งสำคัญในสปสเนี่ยเขาเรียกว่าความรู้คู่คุณธรรม ก็เรียกว่าสินธรรมจริยธรรมคุณธรรมคุณธรรมจริยธรรมสินอสินธรรมคุณธรรมจริยธรรมนี่ยใช้คำนี้ถามว่าหมายความว่ายังไงชอบใช้คำอัเนี้ชอบเอาไาใช้แต่หมายความว่ายังไงเราเห็นวาจริงๆมันเป็นปัจจัยของกันและกันตัวคุณธรรมเนี่ยเป็นฐานใจอยู่ข้างล่างเราไม่เห็นหรอกคุณธรรมเนี่ย แต่เมื่อเขาแสดงคุณธรรมออกมาก็เป็นจริยธรรมและก็เป็นปกตินิสัยเขาก็เป็นคนดีมีศีลธรรมนั่นก็เป็นการสะท้อนได้เห็นทางกายทางวาจาก็อยู่ในเรื่องเดียวกันถ้ามีก็มีด้วยกันนะนะไม่มีก็ไม่มีแต่ถ้ามีแล้วก็มีด้วยกันไม่ใช่ว่ามีต้องเป็นนับมันกระบวนการธรรมะปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนกับเราเปิดสวนะิตไฟน่ะเราสังเกตเปิดสวิตไฟปั๊บ แสงสว่างเกิดปุ๊บความมืดหายปั๊บสิ่งต่งางๆปรากฏ ป, ปุ๊บต่อกันไปเลยเนี่ยมันมันมันนับไม่ทันเนี่ยธรรมะเขาจะเกิดมาในลักษณะอย่างนี้นเพราะว่าจริงๆเนี่ยอรยมมัคเนี่ยตัวสมาธินี่คือตัวหัวใจเลยแล้วเวลาส่งแสดงในโดยในยะอื่นเราลองสังเกตว่าส่งแสดงในย่าของกุศลกับบทสิประการ อาการที่ปรากฏให้คนอื่นสัมผัสได้คือเห็นได้ได้ยินอะไรคืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการทุกสิ่งของที่โยของก็ไปได้ให้างดเว้นจากการาปากกา ร, ระพฤติผิดในทางประเวณีก็เป็นอาการทางกายคนอื่นก็สังเกตเห็นแล้วก็งดเว้นจากการพูดเท็จสอดเสียดพูดคําหยาพูดเหลวไหลทางวาจาคนอื่นก็เห็นคนอื่นก็ได้ยิน รู้ว่าคำพูดนี้มันสอเสียดหรือไม่สอเสียดต่คำพูดที่เราฟังดังเวลานักกันเมืองเขาพูดนะฮะเราเห็นว่าหลังสีเอามาหิดมันแผ่ามาเลยสแสดงถึงฤทธิ์เสียแสดงถึงการแข็งดีสแสดงถึงอัตราตัวตนเป็นพวกเป็นพร้อมไม่ยอมรับนักถือแก่นนั้นก็กลายเป็สแสดงว่าใจี่ยไม่มีสมาสธิ ทีนี้ไม่โลภใหา่ได้ของคนอื่นไม่พยาบามบองร้ใครอันนี้เป็นอาการทางกายว่ า, จาใจอาการเฉยๆเนี่ยมันมาจากใจที่มีสมาธิธเห็นไมข้อเดียวนั้นเองรากใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่สมาธิเราทำไงคุณคุณคุณสามารถทำใจให้มีสมาธิธิได้ละแต่สมาธิธิได้ยังอื่นก็จบ เพราะความเห็นชอบความดําริก็ชอบเพราะความเห็นชอบกันผู้ก็ชอบเพราะความเห็นชอบการกระทําก็ชอบเพราะเห็นชอบอันเลี้ยงชีพก็ชอบเพราะเห็นชอบความพยายามก็ชอบเป็นไหมมันเดินไปเองไงสมาธิเนี่ยเป็นตรวการใหญ่ที่สุดเดี๋ยวเรามีการเน้นมีการพยายามชี้แจงอธิบายกันตอนนี้มาทําหนังสือชื่อกาลามสูตรพูดไว้อย่างไร ก็เผยแพร่ไปประมาณตอนนี้ก็ประมาณสักหมื่นห้าพันเล่มนะนะแล้วก็มังทำสั่งเพิ่มรู้สึกว่าเป็นที่สนใจของประชาชนแล้วที่ดีใจรายการธรรมาร่วมสมัยเนี่ยก็ไปอ่านออกอากาศมันก่อนเขาขออนุญาตมาเอกไม่ต้องขอหรอกด้ยต้องการเผยแพร่ยอยู่แล้วคือต้องการเชื่อความเห็นชอบไม่ไปอ้างสรงเดชที่อิคารามาสูรอ่ะ แล้เรามาสูตรเนี่ยเขาพูดกับคนซึ่งมีความรู้เป็นฐานอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้เอามาคิดแต่นั้นเองพระเจ้าไม่ได้สอนอะไรเลยนะฮะตั้งปัญหาให้คิดเอาเอาความโลคกวดหลงนี้ข้ามาตั้งปัญหาถามมีคุณหรือมีโทษเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เบียดเบียนตัวเองเบียเบียนคนอื่นไห้ก็ถามไมมก็ตอบก็ตอบเองไงก็ตอบได้ เพราะอะเพราะความเห็นก็ชอบแต่ว่าเขาไม่รู้จะปักใจยังไงอ่ะเฮ้ยจะเชื่อใครแต่นั่นเองเพราะคนที่พูดเนี่ยบางคนกวาเห็นชอบบางคนกวาเห็นไม่ชอบแล้วแกก็สับสนหมดในสุดก็ยกเอาไม่ลบไม่ไมปวดมาหลงเข้ามาถามเห็นไหมก็คือมนุษย์สุจริตนี่มนุษย์สุจริตนี่แหละไอ้ไม่หลงนี่คือสัมมาทิฏฐิ ดังนั้นธรรมะเนี่ยมันมีรากง่าวของมันมันอาจจะมองเป็นทวิภาวะคือเป็นความจริงอยู่สองด้านนะด้านหนึ่งปรากฏด้านหนึ่งก็ไม่ปรากฏพผลถ้าใจเรามีสัมมาทิฏฐิคือ ป, ปัญญาเน้นชอบอยู่เนี่ยกระบวนการเราอึดมังตามมัเป็นแถวอะไร เห็นแม้ว่าการที่คนไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประวิปปิดในกาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําหยาไม่พูดเลีวไหไม่โลภอยากได้คนอื่นไม่ปฏิบัติบังไรใดเพราะเธอมีความเห็นชอบกามทํามของธรรมดังนั้สัมมาวาจาเป็นต้นซึ่งจะกล่าวในโอกาสต่อไปเนี่ยมันเป็นผลพวงมาจากจิตที่มีความเห็นชอบเป็นผลพวงมาจากจิตที่คิดชอบคือเราคิดมาจากความเห็น แลวความความเห็นนี่เป็นฐานมัอจิตเวลาก่อนจะทำก่อนจะพูดเราก็ต้องคิดก่อนแต่เมื่อความเห็นชอบเป็นเรือนใจเป็นฐานใจอยู่แล้วเนี่ยคิดตุกคราวมันก็กลายเป็นความคิดชอบคล้ายๆกับ น, น้ำในสระเนี่ยมันน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ตักเมื่อไหร่มันก็สะอาดบริสุทธิ์ไว้นั้นจิตใจของคนเราจึงที่จริงก็มีเรื่องเดียวอุตส่าน้เป็นาศาสนาแห่งปัญญา ความสมบูรณ์ของปัญญาเนี่ยคือความหมดสิ้นของอวิชชาเพราะฉะนั้นจิตมันก็พลิกมาอยู่ด้านหนึ่งคือไม่โลคไม่โกรธไม่ลงในขณะที่สภาพจิตทั่วไปมันมีโลคโกรธลงทีนี้การที่อยู่ในวิจิตสุจริตก็คืออาการของจิตที่อย่างน้อยก็คุมโลคโกรธลงได้นะเพราะว่าตอนนี้จะพูดเพียงระดับศีล เธอทรงแสดงในทรงแสดงระดับศีลคือแบบงดเว้นเหมือนกันในในกุศลกำบด ท, ทั้ง10ประการดังกล่าวเนี่ยการศึกษาเห็นคุณค่าของวาจาอย่างที่เนี่ยปากเป็นเอกเล็กเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นปราและทั้งก็บอกไว้อธิบายนะขยายไปปากเป็นเอกมันเสกหมดในขนเชื่อฉลาดเหลือวาจาปชีาฉชานจะกล่าวถ้อยร้อยคาไม่ลาคาญเป็นรากฐานเธอตรนพ้นลาเข็ต ของไทยานสอนไว้เยอะในเรื่องเดีนี้ถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรถถอยรอยจิตพูดชั่วตัวตาททำลายมิจจะชอบผิดในมนุษย์ประพูดจาแม้แต่บทเรียนตัวแบบที่จะแต่งสักวาเนี่ยท่านก็ใช้วาจาสักวาหวานอือพี่หมื่นแสนไม่เหมือนแม้นพจจมานที่หวานหอมกลิ่นปรียวเปรียบรวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตน้มด้วยลมลม แมล้ลม้อลาบหยามหยาบไม่ปราบรื่มรุจจะดืมบรเพิตต้องเก็ดขมพอดีไพร่ไม่ประปอบชอบอารมณ์คนควังลมเมินหน้าละอาเอ่ยเพราะวัจีสุจริตจึงเป็นสุดยอดของการสื่อสารยุคอะไรก็ตามนะยิ่งยุคโลกาวิวัต์แล้วก็ยิ่งใหญ่แต่ที่น่าห่วงใหญ่ก็คือคนเดียวนี้พูดโกหกหน้าเฉยตาเฉยเลยน่าสยองจริงๆเอ๊ะทำไมก็เป็นอย่างนั้นล่ะ มันเปลี่ยนแปลงไปแยะ่นะโลกเรนเนี่ยบางทีพู้พลราษฎร์เนี่ยมาในโดนโกหกเยอะเลยฉันเลยว่าเออชาวบ้านเนี่มันเป็นอย่างไงอ่ะคนเนี่ยเป็นยังไงไปเดี๋ยวนี้มันแปลกไปเยอะนะต่างจังหวัดเนี่ยเราไม่เคยเจอแล้วคนโกหกชาวบ้านชาวบ้านตาสีตาสาจะมาจมีนี่ไม่เคยเจอแร้วเขาว้าวกันซื่อแต่ว่าคนที่ผ่านความเจริญเนี่ยโถดมากไม่ไปรักษาวารจานะเป็นเรื่องแปลกต้องฟังทั้งหลาย แต่รบพระโพทยาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไพบูลย์ในธรรมจะมีไล้ท่านผู้ฟังต่างโดยถูกกันสวัสดีกันสวัสดี